ที่เขาบริจาคแก่สงแลกเปลี่ยนของอย่างอื่นในนิสสกิยปาจิตตีสิกขาบทที่หกนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัตหกสมุดฐานเกิดด้วยสมุดฐานหกสมุดฐานละ